ธรรมตนในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจของใครของเราที่นี่ที่พวกรองมาปฏิบัติใ น, นรัทธิศีลจรียนเมตตาภาวนามเพื่อสรงสมมูลกุศลหรือบาละมีสติปัญญา เพื่อจะตามหาตนของตนทันไม่รู้มันเห็นพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาพศพะพุทธเจ้าท่านว่าอันนี้พวกเรากระมือนกันมันไม่เห็นตน เพราะว่าตนพุกตนจริงๆมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่ากไม่มีตัวไม่มีตนไม่มิดตัวเป็นตนจนป้อนท้อกลลาร น, นี้มันเป็นก้อนธาตุก้อนธาตุก้อนปัจจัยก้อนธาตุก้อนปัจจัยก้อนจิตใจก้อนสติใจ คนธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันในดอกจงก้มาเทตัวิจจตักดอลจริงๆแล้ว้าตุาตุพิทิอบจรินไม่ใช่ของเราอีกาไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครเป็นสมบัติของบิดามานดาสมบัติของบิดามารดาสมบัติของบิดาอยู่ที่ไหนเา สมบัติของมัรดาอยู่ตรงไหนสมบัติของดีดาอาการสาหิสองชโ้นพวกเราตรวจเตี่ฟันผมขนและฟันหนังเกียเอ็นกระดูกเกียนี้กระดูกกระปอไส้น้อยใส่ใหญ่อาหารหม่อาหารเก่านี่เป็นสมบัติของดิดาสมบัติของมดามีน้ำดีน้ำเะเลน้ำน้องน้ำเลือน้ำเมือน้ำม น้ำลายน้ำมูดน้าคิ้ขอน้ำมูดที่กระแทกท่าท า, ทาลมลมบัลมพักขึ้นบังบนลมพัดลงบังลา่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกท่าไฟไฟในกายให้อบอุ่นไฟในการให้สุลมไฟในการให้กระวนกวายไฟพ อ, อาหาน ย, ย่อยรวมกันแล้วไม่มอยู่ที่า ส่ธาตุน้ว่าก้อนธาตุก้อปัจจัยกี่ไรนิวรณ์นสัมผัสุด อ, อ่ า, อ, าอ่าปัจจัยที่ร่างกายที่ที่ตกอประคับตัวได้อ่าปฏิสันขารโยและอัตมญาและยถ า, าปัจยังยถ า, าปัจยังวัฏจมาดังคาถุวะเจเมเรตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสภาวะธาตุาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังจนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนี้ ยาดีดังจีวารันตะรดุพุนจะโกจากพุคารโอสิงราวีคือจีวอนและบุคคลผู้ใส่สอยกีวอนนั้นพาตูมาสะโพเป็นจัพว่าธาตุตามธรรมชาตินิชโตีิไดสันอันนั้นยืนนิชีโวที่ใสชีวิตอันเป็นบุรุษบุคคลสุนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นโจวตนสุขะคือท้ายทางของมันเป็นอย่างนี arrived, of, aw, the ้ระยาาพะยบุวัตมานังธาตุวัตเนเวต้ สิงเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจเจกอยูเนืองนิดยาดิยังมินดัป ก, น ก, กป่าโตตาดุปกุญแจโกจ่าปูกรโลสิ่งเหล่านี้คือวินทบาณและบุคคลผู้บริโภควิทบาณนั้นธาตุมัตตโกเป็นสภาวะธาตุตามธรรมชานิมิสโตมิใส่มิใส่อาตุนมาตุนตนเรื่อยนมิชีโบที่ใส่สสชีวิตอันเป็นบุรุษบุคคลทุยโย ว่างเปล่าจากความหมายแห่งคนพระแห่งความเจริญตนตบบูปนาจังมินดาปตัวชิตุเชโยอภิทบาสมุดนี้ไม่เป็นของหน้าเสียมาแต่เดิมอิมพูติการังปตบาอาธิริยะชิตุเชโยยายาสีครั้นมาถึงเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิตแล้วย่อมกลายเป็นของหน้าเสียเป็นอย่างยิ่งราาปฏิยังปวัตมานังชาติวัตเมเวตัง เหล่านี้นี่เป็นศัพทภาพตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปฏัยอยู่อย่านนิ ด, ย, ดย่านยังเสนาสะนั่งตาดูภคุญะโกจากปุขโรจึงเหล่านี้คือเสนาสะนะและบุคคลผู้ใส่สอยเสนาสนานั้นหาตุมตะโกเป็นศัว่าภาพตามธรรมชาติ นิสตโตนี่ใสเป็นสัตว์มันยังยืนนิชสีวอนี่ไสชีวิตอัตเปนรูปบุคคลศุนยอว่างเปล่าจากความหมายแห่งคนเป็นตัวตนรับบานิีปณะอิมามิเสนาสนามอาทิตย์ธรรมญานี่พ้อเสนาสนาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของหน้าเขียดมาเดิมนีมังกรติการังปตวาอาทิตย์ญาติพุทธธรรญาบิยาลันติขั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นยี่ิบแล้ว ย่อมกลายเของน่าเสียดายนี้ไปด้วยกันดังนี้สถ้ายาธาตุปัจจังปัจมานังคาตัวตัณฑ์เรตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังจดินไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่องนี้ยาดียังวีลาน า, าปัจจัยยาเพวุตตาบริทาโรตาดูภูิโกจารุฆโรสิ่งนี้คือเ ท, สทวสตตาบริฐานอันเสื่อมเป็คนคนไข้ได้บุคคลผู้บริโภคเทวุตตาบริฐ า, านนั้น พาตูมัตโกเป็นสวาาาา่า้าตุนรรมุทรนิสโตนิสัยเป็นจับนำร่างยืนนิชีโบีิสชีวิตอันเป็นบรรลุบุคคลลุงโยว่านเป่าจากความหมายแห่คงควาเป็นตัวตนจับโบปัายันดาปปะอาสัโ บ, บปัญญยยีระนาเรศนิทันิาลอาเจพุทิโย พ่อกีรนาอามอริษานทั้งหมดนี้ไม่เป็นของหน้าเสียามาเต็เดิมอิมภูติการยังสัตวะอาตีรเจตุเชนย อ, อยานยสิท่านมาถูกเข้ากับกายยังเน่าอยู่เป็นไม้ดีแล้วย่อมกลายเของหน้าเสียดายไปด้วยการดังนี้โงเบื่อของเน่าของสกปกโสภโคภกที่ท่านพระพุทธเจ้ามาสั่นมาสอนในภพลองดูกายตนเองและกายบุคคลอื่นสัตวที พิจนาให้จิตมันรู้มาเห็นเป็นของไม่พลังอย่างยืงงยนให้เห็นเป็นของ ส, ปสองกปรกสกโพกเป็นของหมู่ของเนอาเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจไมันถอนดอกที่สรุปแล้วการปฏิบัติสรุปแล้วอ้าไปถึงความจริงมามาสร้างจิตสร้างปัญญาทางหนทางทิ่งกายไปทิ้งกายเพราะว่ากายมันมันมันเป็นเหตุว่าเป็นเหตุหรือเป็นตัวสมุทัย ความทั้งจิตใจเป็นตัวสมุทัยเปเห็นตทุกเกินีว่าเป็นตัวสมุทยเมื่อจิตเห็นเหตุทุกเกิดเป็นตัวสมุทยทึงจิตทงใจแล้วก็เห็นเห็นทุกเกิดขึ้นจากเเห็นทุกข์้งจิตทึ้งใจจิงจิตผ่านเข้าไปยังเข้าถึงความสงบจิตหยุดยิ่ง จิตหยุดดิ้จตใจว่วางจากอารมณ์ทั้งหลายทาั้งปวงอยุดนี่ที่ส่้างที่ให้นามว่ามีโลดที่ความดับทุกข์เทวทุกข์ธมุทยมีโลดสามอย่างมักจะยุทนทางเขาไปดับทุกข์ท่านที่ว่ามั่คท่านที่ว่ามั่งเพราะฉะนั้นสรุปเรื่อเนะี่ยทุกข์กบเนิดทุกข์เกิดกับมีโลด มันเป็นศัพท์ารทที่พระพุทธเจ้าทา่านรู้ทันเองเพราะฉนั้นจเบื้องต้นในสิ่งอาที่พวอเราอะอัดวดนวนนนมนต์ ก, ก็ตามสมัยกรตามจะสิ่งละโม่ดีก่อนะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะนี่แสดงว่าระลึกถึงคุณมารดาณคือหน้ามโม่คือดินคือคุณของมีดานจังหวะนะโมตัสสะภะคะวะโต พระวโตอันว่าพระผู้มีพระเจ้าอรหะโตท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาท่านตาสลูชอบแล้วสัมพุทธทัพสัททนะท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นอริยสัจสามทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ที่ไหนพระพุ้ไเจ้าและพระอริยเจ้าท่านก็สู่พระโพิมิามทีหมดแล้วสุดท้ายเนี่ตกลงก็ไม่อยู่กับพวกเราอริยสัจธรรมทั้งสี ใครก็ตามถ้าเห็นเหตุให้ทุกเกิดแล้วก็เห็นภพเห็นจิตเห็นใจเห็นในโลดคือความดับภพทีจิตทใจดีดีดีละจิตใจจะเป็นพระพระนี่ไม่ได้อยู่กับห้ารนกับผ้าเหลืองถ้าดาผ้าแดงผ้าเกี่ยวผ้านี่ไม่เกี่ยวขอให้จิตใจเห็นเห็นสามข้อเจนเจเสด็จพระประโยคแรกกับที่พระโธราน พัสดาร์ไม่่ว อ, อ, อ, อแลแ้วุจะมาลนริญแติบตตัวคําเดียวิไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้ธนาลัรู้เห็นว่าอาการร่างกายกับจิตใจไม่ใช่อัเ น, ลล น, เ, นอเดียวกันความเห็นเราม้แ ย, ยกออกจากันที่เด่นอันดับต่อไปนั้จะปฏิบัติที่ที่ยกแสดงมากอนแล้วจต้องเห็นจริงตามความจริงจิตใจไม่ใช่เฉไปพัก เราจะเห็นทุกเห็นเห็นในทุกเกิดเราก็เห็นนิโรธคือความดับทุกข์นิโรธกับมีโรธอันเดียวกันธรรมเดียวกันถ้าไม่เห็นทุกข์มันปิดที่าจริงๆนี่มันปิดไว้อิจารณ์ถ้าเป็นมนุษย์เราก็ผ้าก็ปิดทุกข์ก็ปิดธรรมอาหารการบริโภคปิดทุกข์ก็ปิดธรรมที่อยู่่าศัยก็ปิดทุกข์ก็ปิดธรรมยาบาบัดโรคปิดทุกข์ก็ปิดธรรมไม่ปิดไว้ให้เห็น ความจริงสถาที่ทุกมากเ ม, ม, มื่อามาทูกมากๆแล้วหาที่พงที่บางไม่ได้อย่าไปอย่าไปยิงตัวตายอย่าไปผูกคอตายพระพุทธเจ้าท่านให้ดูทุกควงกำหนดรูป ก, กำหนดขปิโตทุกข์กจริงๆมันอยู่ตรงไหนมันมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่จิตยู่ที่จิตมันอยู่ตรงไหนขยับเข้าไปไปดู หรือเขาไปจนจนเห็นจนเห็นเห็นจริงตามความเป็นจริงเมืม่อเขาไปสช้จิตในใจจริงๆแล้วมันไม่มีโจเวทนาในโวกจิตดวงใจไม่มีโดยธรรมชาติของจิตใจธรรมจาวะธถ้าจิตไม่ห ล, ลงไปยึดเอเวทนาเพรวะนาธรรมชาติมาสอนพวกเราให้ปฏิบัติทําจิตใจให้ว่างจากอารมณ์และทํำจิตใจให้มันหยุดนิ่งประโยคแรก เมื่ทานเข้าไปทีนี่ก็เมื่อมาทานเข้าไปได้ที่นี่ท่านท่านกัไไนราบว่ า, าให้ทำให้มากที่นทําำให้มากจะเริยนทางยิ่งทำเที่ยวมากในที่นี้หมายถึงให้มีสติระลึกรู้จิตใจไม่อยู่อย่างไรไม่คิดอย่างไรไม่ฟังอะไรไม่ไม่คิดเป็นยึด ก, กับวมรู้การต้ตสติ มเมื่อไม่มีสตินักกรศึกมีปัญญาจืเรงว่า ส, สัมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอริยสัมทั้งสีเห็นทุกเห็นเห็นตัวสมุทยัยเห็นทุกเกิดจะถามว่าถ้าตัวสมุทัยอยู่ที่ไหนตัวสมุทัยกับประโยคแรกครับคือจิใตใจะถ้าย้อนออกมาอยู ก, กัก้อนสันงกัรกายของพวกเราเนี่ยหมดทั้งกัดมีละก้อนสมุทัยเห็นทุกเกิด ตากัเป็นเหตุทุกเกิดหูกับเป็นเหตุทุกเกิดจมูกกับเป็นเหตุทุกเกิดลิ้นก็เป็นเหตุทุกเกิดกายกัเป็นเหตุทุกเกิดจิตใจกับเป็นเหตุทุกเกิดตากับเป็นตัวสมูทัยหูกับเป็นตัวสมูทัยจมูกกับเป็นตัวสมูทัยลิ้นกับเป็นตัวสมูทัยกายกับเป็นตัวสมูทัยใจก็เป็นตัวสมูทัย ที่มันเกิดี่มันเกิดมันเกิดได้มันก็ดับได้ทุกเกิดขึ้นก็ดับมันไม่เที่ยงมันจะควรเปี่ยนแปพมันมันเป็นอนิจจามันเป็นทุกังมันเป็นอนัตตาพ่าพูดเช่เจียวกันว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตอนฟังสิจริงๆนะครับถ้าประทานนี้ไปติดลวนมันมันจะไม่มีอะไร จาที่พวกเราพระาธนามาพรข้าพระเจ้านี่เอาไปพรของข้าพะเจ้าถึงที่พริพานในอนาคตสการเืองาักเองก็มาพริพานในที่นี้หมายถึงนิพพิธาวุมเบื่อเบื่ออะไรทิ่เบือทุกเบื่อสามุทยเห็นทุกเกิดเบื่อทุกเบื่อเห็นทุกเกิด ในเมื่อมันเบื่อหน่ายมันจะคลายความกำหนัดทดีเมื่อมันคลายความกำหนัดทดี่ซึ่มกระพนกรพุ่นปะจากที่เดิมอย่าพประจากลูกปะจักเสียงจากกลิ่นจากรสจักเครื่องสังปัดพนปจักตาพุนจากษ์มุจากษมือจกิ้ยและทั่งจินันหลเอาพุนจกใจเพื่อเอาพุนปจักลูปจากเวทนาพนประจากสัญญาพุนปจากสังขามพุ่นประจักษ์ยืนยันขอรัตน เมื่ใช่เราไปไปพ่นในที่ห้องพัาอากาศเลยมาปฏิบัติความศีจให้มันแยกออกจากกันด้วยเด็ครับที่เมื่อปฏิบัติไปทำให้มากเล่นให้ดีหนัเลื่อนขึ่งไปขั้นพระสกิทาคาเลยไปไปสกิทาคามีมัตรดาพระคามีผลแล้วก็อนาคามีมัตรอนาคามีผลถ้าไปทางจะถึงขั้น พระอนาคามีนี่ยร่างกายากับจิตเป็นคาบตอนกันโดยเดชขเข้ากันไม่ได้กาคือกาจิตคือจิตถ้ามันไม่จะเข้าไม่ได้เพราะมันรูปมันขาดตอนกันเหมือนกับน้ำอยู่ในกับขวดกับแก้วแก้วกแก้วน้ำกับสีน้ำเข้ า, ขากันไม่ได้ใครก็ตามาทัมกจิตเขาเลือกเขาไปเห็นอย่างนี้นี่ละ กินม่จะเย็นไม่จะหมดหิบตัวชาก็ถึงอาท่น า, ทนน า, านอาภะอนาคามีผลนรือคำมาสาก่กโปงที่ว่านาลิขออกจากรมนำคาคำศิวกามการมอยูนน่ ท, รรรที่ไหนสิคครก ร, รมอก้อนสักคนละการหนึ่งมีก้อนกรรมหมดทั้งรก้อนก้อนการมนอกนั่นปันจจัยเครื่องบำบูบงเบร่ของร่างกายทั้งหมดมีติการมกับกรรม ทลาลังนี่กับกรรมมกรรมที่มองเห็นด้วยตาโลกทั้งโลกนี้จะโลกโลกกรรมโลกเกิดโลกแก่โลกเจ็บโลกตายโลกกรรมเท่านั้นการมไปว่าของรอดตามไปว่าไฟไอที่ต้องไหนของมันไฟรักข้าควอมกุมนัดดีดีในลูกีนเสียงในกลิ่นได้รถในเชื้อสัตว์ไฟโทรษตะคือความโปวดไฟโมหะคือความหลงมันเขาตลอดเวลามันก็ไม่รู้อาจารที่ไม่รู้ีท่านว่าตัวอภิชาจะทำอะไรอภิชาอยู่ที่ไหนอภิชาจะแปลว่าผู้รู้นี่นะ ผูู้้นี่เป็นตัววิชาไม่รู้ไม่จริงไม่รู้โรคโรครู้สมมติรู้บัญญัติมันไม่มันไม่ขึ้นสมมติมยังหลงอยู่หลงอะไรละ่ะหลงกูหลงกูลงมึงมึงกับกูเนี่ยากันมาสร้างโลกมึงคือใคร มึงก็คือ um, ผ like ู from, more, ้อกือผู้หญิงกูก็คผู้ชายูก็ือผู้ชายมึงกับืผู้หญิงมึงก็คิดสัจตุคู่กูก็ิัตุมียมึงก็คิสัตุเมียกูกิสัตุคูนีตัวพากัรมาสร์างโลกถ้าเรอะไรเกิดผลในรับคืออะไรเกิดขึ้นได้ก้อนได้ก้อนทุกมาได้ก้อนเจ็บก้อนปวดมาเมื่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อมาปฏิทินท่เขาไปอยู่ในคันมันดาครับมันมีอะไรมีแต่ดวงจิตรวนๆพปเอาสมบัติจากมิรามันดา าก แ, แล้วู่ว่าตัวดวิรุ่นร่นเนี่ยแต่ว่าที่เลืออวิชาสัหามันยังครอบงาจิตใจอยู่จิตใจมันยังสอู่กับร่างกายอยู่ที่ย้อนมาเกิดแต่ว่านั้นมันมี่จิตที่นึ่พอเขามาปฏิสนทธิในขั้นบรรดาลดวกิตัวงใจหลปู่เปี่ยพมาหผไม่เหมือนกับตัวอักษรตัวเดียวที่ตัวพอก่ ถ้าตั้งสีิ้นหน้าไปรวสมบัติของอิรามันไดาเทียบมาทำไมเหมือนกับสระสระอักษร์สระอีสระอีสระอีสระอีสระอูสระอูขอตั้งตัวขอไก่ขึ้นเอาพยัญชนะเอาขาตั้งสีิ้นหน้าไปรวมมารผสมตั้งตัวขอไก่ขึ้นขึนปขึ้นมา ก่อก่อากกอากาก่ออิคออิกอกอกอกูฟักูพอไปทั้งกูเนี่ยไม่จนตัวขึ้นมาเลยแต่เลยแต่โตขึ้นมาพออาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยจะอยู่รอดเดียวก็ไม่ได้กือหาว่าไม่มีงานทำหรือมีงานทาแต่มันไม่พอทาแล้วก็ไปหาแต่งงานมาไปหาซื้องานมาทํารินะคิดว่าแต่งงานแต่งงานหาเหามาใช่ หัวตัวเองมันทุกไม่พอมีมีอยู่ห้าขันห้ากองกองลูกกองมิธนากองสัญญากองสงคามองมีห้ากองยัไม่พอแล้วแต่สหารซื้อมาอีกห้ากองเอามาบวกกันมาบวกกันทีนี่ก็ขันขันขันสิบขันยัางขันนี้เกิดขึ้นพบเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ขันหนึ่งเนียรวมกันแล้วก็เป็นเป็นสิบห้าขัน เลขที่สองจะเป็นเป็น2ี่0 0บันเลขสามเป็น25่พันเลขสีก็เป็นอ่าเดีอ้าสี่่ยพันูไปถ้าใครได้ถึง10บสิบพันกเจะคิดว่าจะกินห้าส0ัน ห้าสิบขันรวมกันท่านทั้นพ่อทัานแม่เลยเลยเป็นหกสิบขันขันไปวัดปูขันไปว่ามาัดไปว่าพวงไปว่าดึงอยู่ได้ที่ไปไม่ได้นี่ละและ้วแต่นอกนั่นครับให้ทําความเข้าใจการปฏิบัติอย่าระสงสัยบางคนเนี่ยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าและพระอะริยเจ้าเข้าสู่พรหวลิขิความตสอเ่องหมดมรรคผลถ้าใครเห็นอย่างนี้จริงป่า คนไม่รู้จักมัไม่รู้จักมักไม่รู้จักผลมักเปหชวาเขาไปลับภูเจ้าท่านท่านเรียงไว้หละสัมมาสิติสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมตสัมมาอาศีโยสัมมาเยโมสมาโสัมมาสิมามทิิสมาสิติปัญาหิสอดหรือริยธรรมทิฏสัมมาสังกปะนำดีซอดการมฏิตการทางทางที่กรรมที่กาลเนี่ยสัมมาสังกปะ จิการหาโบราณิตใจเพราะว่าจมันไม่ใช่ตนและกรรมวิัยไม่ใลนโตไม่ใช่สัตว์ที่โไม่ใช่สิตทุนโยกปนของวอยู่ในยะขนัญันทีนี้กรับมข้อที่2กับมรรคข้อที่สมกับคข้อที่4ี่สมาตเนโตกัมมาอาีให้บวเข้าไปการมาหาเรื่องเีการงาน อยาไปให้มันกระทบคนและคนลคนตัดาปให้บุคคลดินตัดดเรอบุบารโกเลี้ยงชีวิตให้มันถูกต้องอย่าไปเงชีวิตใหถูกต้องทใหุ้คคลอื่นตัดอื่เขาเกิดร้อนธรรมมาสีโบเลี้ยงชีวิตให้ถูกตองเียกว่อาหารการบริโภคที่พระพุทธเจ้าอว เนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์เนื้อมาเนื้อมาเนื้อแล้วนี้เนื้อนี้เนื้อใช้กองสื่อเลงเราเนื้องูเว็นถ้าม่เร็นไม่ถูกเมื่อทางไม่เป็นสัมมาเมืทางไม่ชอบนี่เดอาจาค่าขายเหม ầu, i, sin, ือนกันเนี่ยค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว <navigation> ์ที่มีชีวิตอยู่ไปใหเขาฆาเป็นอาหารค่าขายการนองของเมาค่าขาย้าอาวุธค่าขายเค่นงหลักษัค่าขายเค่นงาหารประหารปัตะเภี มีเจ้าปัตตมารตัมมโตขัปตัมมาอสิโวเปรียบเทียได้เป็นสอดหรื่ารับระทานอาหารอสุภุริสีนี่นะมันก็มันก็สุดยอดมันก็เป็นตัมมาอสิโวเปรียเทียบได้เปอดตัมมาอสิโวกับัมมาตัมมโตตัมมาไวยาโมรเพียงพยายามละบาสิสเดียร์เพี้ยนเพียง รับาสิเกปเนและกัเทียงรดันสร้างมีภ <rebels>. ูผลให้เกิดขึ้นตัต้องมีการให้ทางกานและกับขุกเวยเมตาภาวนาให้ยำให้บุญภุผลขึ้นบุญคือความจิตใจจิตวิญญาณภูผคือความจิาทของจิพทกองใจคือสตีคือปัญญาเนี่ย้าไม่เกิดขึ้นเมื่อบุเมื่อภูผลเป็นแล้วสร้างให้รักษามาหมัน เสียไปหมดไปที่ไปติะจาลอยลอยั้วอษา่ช่หรอกธรรมวาญโมเบียรักษาที่เรืธรรมมาสติสิระลึกสงที่มันเป็นมูลกุศลยาวไประลึกอาฆาตจองร่างจองผานของพรวิญญาณิ they they หรือประลึกนอกนวนอกกรรมธรรมอนของพระพุทธเจ้าไปะลึกไปกรบไปว่าพูดผีีตั ขับไปบ้านตนไม้พวกเขาอาพวันเป็นสารเปเนุ่มไทิา่นว่าเลชอบสมมาสัีเล่นไปชอบเล่ล่อากาศอมนาลูกชงปีาจดินทให้เืองไ้เมื่อล่ไปะไม่ชอบลลงเมือไปทำมุิติทำให้บับไปขึ้นมุตตะหินสิงนี่ต้องสมมาสัจีมามเท ตั and mm ้งใจไว้ให้ลดตั้งใจไว้คือีว่าัวีนหาิน้อยนิดเดียวท่านไม่ให้เกิดขึ้นไม่มีท่านให้ือให้เราทคุ้มครองโลีนี้วามะอาเกลียดใจโต ความกลัวตัว่ำตัวตันขน่ว่าคาัวตันน้อยหนนิดเดียวเาเกิดขึ้นที่นีที่ทานพวกเรารักษาติท่านต้องป็นการรักอาหารอะรับธาุิห้าอากัศิแปินสิบธิสหงรอี่สิบเก็บธาตุินละตางกันอย่างไรละตางกันนีเนจริเมื่อมันเป็นถิ่นแล้วมนจะเเป็นธรรมเมื่อมันไปทนธแล้วทีนีมันจะเกิดเมตตา สงสารผู uh ้คนดึง huh. ถ uh ัด huh. ถ uh ึงภาธนาจะให้ผู้คนดึัดมีความสุขกายสบายใจแต่จิดแต่ช่วยหรือหรือหรือช่วยผู้คนดแต่หนึเขาส่งภระยะลำบากใช้ใช้ใช้ก็ตามใช้ใจเป็นลักษณะนี้เลยว่าจิตใจเปีนสิ่งจิตใาสำคัเมื่อจิตใจพิีพิถันแล้วไม่ต้องรัษาอะไรมาแก่ไองสิง ชิ้ห้าิ้นแปดง้าทถ้ามันเป็นิแล้วมันจะมีิตัวดวตัวเจที่ไหน้ตัวเดียวที่ลูกชินกใานมตกนินนัน่ต้องไรักดมจะีคะอายแต่ิ่งดาถึงัจนได้ลูงที่เป็นโชขึ้นมาเป็นมไหนทีถ้าเป็รักจะีบนจะถึงเป็นถ้ารกบมาปฏิบัต มาสัว่าสิเนี่ยไม่บักไปขึ้นท่านกายไม่บักิดขึ้นธรรมชาติไม่บักิดขึ้นตั้งจิตใจทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดรองเนี่ยเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผุดพรองและวสิหาจากความมืดหาจักรฟองทั้งใหาจากความหยาบจะหนักเป็นอะไรสิจะอยากได้อะไรทองดีที่สุด ก็คจิตใจของนายของเราอันจิตใจอังโริสุนี่ของมีที่สุดอยู่ที่ดวจิตใจของพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าองมีิอยู่ข้างนอกจากจิตใจไม่ใช่ของใครของเราชาติว่าจิตใจหรดนนีอของีที่สุดนี่อยู่ในดจงของพวกเราขอย้ำของมที่สุด่อนี้แต่ของ ของปลอมของอกของรวมหลอก้วมให้จิตใจติดอยูออ่ในโลกหลอกรวมให้เผลอหลอกรวมไว้แกให้เจ็บให้ตายม่พิจิตรพิจิิิิี่ิิิิิิิิเิิิิิืิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินินินิิ Hence, ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินิิิิิิิ ที่นี้พระพทธเจ้ามาตัดชื่ในโลกมันไม่ใช่ในน้อยนเนี่ประสูตรสามพุทเ้าพุทธสามีสัมจ่าหาเรสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่ันหนึ่งร้อยเจ้าทสองพระพุทธเจ้าแล้วบางทีพวกเราเปพราะพระพุทธเจ้าองแรกกันได้ทำไมมัชไมงมาตกข้านโลกรูปแบบนี้เพราะมันไม่รักธรรมท่านรู้ยไหมนีเหมือ ตาม่ไหมมึงก็ตามไม่มึกตาไม่ไ่มังไม่รับคำเพราะฉะนั้นในปัจจรบันถ้มึงต้องเอาตัวยืนข้างหน้าไม่ที่ข์จบทุกที่เหมือนกันลงมาเกิดมาเกิดมาตายลมาหัวอกความให้มาดีจเแียมารับกายมาโผล่มาเกิดมาฆ่าฟังเรนะไรอทุกวันไปตะลางลุกเดินจะอานอันเนี่ยวิ่งตามอาจารย์โลกวิ่งตามความความว่าคลองล่างไว พอเพลิดเพลินไปเรือยๆไปเรอยเรื่องข่วนกันฆ่ากันฆ่ากันเบียดเบียนกันพูกันซ้อนกันสบายหน้ารวไปถึงนรกถ้าเป็นเงินถามันนีถึงนถ้าการชีพทำอย่าน่นอยนี่ไม่ดีก็ไปไปรู้ถึกทำทำซ้อนทองไม่ได้บ้าบ้ก็ไม่ดีบุญก็ไม่ดีนรกก็ไม่ดีสบายก็ไม่ดี บรรดาผู้ที่รักที่มีศาสนาหยิ่งไม่ถ้าถ้าเป็นลัทธิะไี่เมื่อแต่ตายลัทริชันลงไปน้ำชั่วที่สร้างไม่ทำไม่จะขาดนั่นยิ่งแต่ให้ไม่เกิดที่ภูที่ต่าภูที่ต่ำที่เกิดไหนภูที่จะ่เกิดองนจะเกิดเปเกิดอายรกายจะเป็นนิรเป็นภูที่อแน่นอนตั่งใที่พวกเราจะทบัณเิตบิตต้องปฏิการทางการรักษาการเตรียมเมตตาภาวนา ถ้าตามสุดจะมาจากคนมนุษย์ทัสุทูสูปานรเมืองอาอาริทวันหอันซันน่งงไี่าบิัทหกซันนึงมือทยไสุวาคงยทีถ้าถึงท่านสุวา่ไจ มันก็เย็นจะไก็จะไปขั้นใหไอไอพระอพระอ่พรพรอานาคมีคนเนึงขั้นขั้นพระสุทโธษทศวรรนะไม่่างไปนนและอยากไต้องไปทำให้มันมากจะได้เหล่มันนี่จะไปลงโลกลงเขาลงเหล่าลงอูลงตั้งตั้งขึ้นมาถึงได้ไม่ไม่แยกกันขึ้นมา ทานมีการสร้างขึ้นมาชิ้นมันมีการสร้างขึ้นมาธรรมที่มันมีการสร้างขึ้นมามันเกิมันมีอน่นที่ทกายทุกทยของเมา่นผมผได้็ีสนส่นพราะว่าอาารีอาจารออกตอนนี้แม้จะเป็นคนีนะขอวรที่อยากเนินเงินจะเป็นได้ม่อทาตรงตรงนั้นเป็นที่นแล้วกทุกคนเลยยังไม่ต้องไปขึ้นใครก็ได้ ไม่ต้องไปโลกเขาไม่ต้องไปขึ้นลูกเพื่อนานไม่ต้องไปขึ้นบ้านที่เมืองเขาไม่ต้องไปขึ้นหมอไม่ต้องไปขึ้นงานไม้องเห้พลยังให้กองพาโทเพนที่อาชราทตรงของตนให้ม่เป็นมือมื่อ งานตายแลเกิแต่านไนไม่ใช่ไม่กลายอ่านจริงๆแล้วใจไม่ไตายได้จริงจะเอาอาจะเอาอะไรแเอาอะไรมาะพิจมนำบัิตัว so so ส, ส่วนชีอันพ้นธาตุต่างๆธาตนิาตน้ฟธาางเวลาจ้ได้วนเขาไม่รู้จักสุขสขไม่รู้จกขไฟไม่รู้จกุขมไม่รู้จกข พู้ท huh. ี่รู้สูงจระเสืกจิตใจเราหนึ่งนะฮะโนินเตอร์เป็นามธรรมนีกหนึมันไมมีตมีตัวมันแคควรเปลนแปมันะได้นิจังมนเป็นชุบขังเป็นหน้าตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องไทุกสิ่งใดไม่ทุกสิ่งนั้นไม่ใชนคมรั่นละถ้าทุกข์ลงไปใช่ให้กำหนดดูมันทุกข์ก็อตรงไหนมันควรอยู่ตรงไหนเกี่ยมตรงไหนก็มัวรแผลที่ขาแผลดู ถาแขนลูแขนแขนปวดไหมเจ็บไหมถามหนังน้ำหนังปวดไหมเจ็บไหมเนื uts, ้อปวดไหมกระดูกปวดไหมเอ็นปวดไหมขยับเข้าไปใครว่ามันเจ็บปวดใครว่าันทุกขยับเข้าไปเมื่อไม่ทวกข์จริงมันไม่มีมันเป็นตัวอุบาทถ้าเป็นทุกข์จริงะเวทนาทุกเจ็บปวดเล่าอยู่ที่การก็ไม่มีอยู่ที่จิตก็ไม่มีย้นมาอยากจปปวดตายให้เสียสาะ มันจะเกิดเรืี่มันจะตายโอ๊ยตายตายสุรองมันผ่าไปมันตายสุดมันตายผลมเกิดป็นป่วยอย่นลมานไปาเราเข้าไปาเหเข้าไปเทเากับว่าายกได้ะากตายองยสันรอด